ปัญหาที่สหถามเรื่องการตัดสิ่งที่สุขุมคาแต่พระนาคเสนบุคคลอาจตัดสิ่งที่สุขุมกว่าสิ่งทั้งหลายได้หรือขอถวายพระพรได้คาแต่พระผู้เป็นเจ้าอะไรชื่อว่าเป็นสิ่งที่สุขุมกว่าสิ่งทั้งหลายขอถวายพระพรพระธรรมชื่อว่า สุ ข, ขุมกว่าสิ่งทั้งหลายแต่ธรรมะไม่ใช่สุ ข, ขุมไปทั้งหมดคือสุ ข, ขุมก็มีหยาบก็มีแต่ว่าสิ่งที่ควรตัดด้วยปัญญามีอย่างเดียวคือธรรมะนอกจากนั้นไม่มีชอบแล้วพระนาคเซน